ในระหว่างเดินทางไปพระพุทธเจ้าก็เรียกพระจุลามันถกมาบอกจะไปไหนบอกจะไปซึกทําไมจึงซึกก็คุยกันไปว่าพี่ชายไล่ให้ศึกพระองค์ก็ลูบหัวนะลูบเสียงของพระจุลบาลถกบอกเราไม่ได้ไล่ให้ไปซึกนี่เธอจะซึกไปทําไมแล้วก็เอาไปก็สอนสอนเอาผ้าอันหนึ่งมานั่งขยําผ้าเปื้อนฝุนผ้าเปื้อนฝุนก็นั่งขยําไปเรื่อยๆขยําตั้งกระช้าแล้วก็ได้เวลาพระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์ห้ารูปก็ไปฉันที่บ้านหมอชีวกนี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 สารท่านก็เทศอุปนิสัยในอดีตท่านเป็นคนฉลาดมากอ่ะนะอย่างในสมัยศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านก็สรงพระไตรปิฎกฉลาดมากแต่ว่าไอ้คนฉลาดมันก็ชอบล้อเรียนคนอื่นเห็นคนอื่นโง่ก็ล้อเรียนสักก็เลิกเรียนเลยไปล้อเรียนพระภิสุปัญญาทึบอยู่คนหนึ่งพระรูปนั้นก็ท้อใจที่จะเรียนพระไตรปิฎกก็เลยเสื่อมอ่นะกรรมอันนั้นเนี่ยทำให้ท่านชาติหลังๆมากลายเป็นคนที่ลืมมากจําอะไรก็ไม่ได้ด้วยกรรมที่ไปล้อเรียนให้เขาจนเลิกศึกษาธรรมะ แล้วก็พอบรรลุเป็นพระทหารท่านก็เลยเป็นพระทหารทรงพระไตรปิฎกแสดงทำซะยาวเลยอันนี้ก็มโนโมายาอิทธิหรือมโนมยิทิก็สามารถเนรมิตกายได้เป็นพันองค์ส่วนญาณวิภาราอิทีเนี่ยนะก็คือคุณวิเศษที่บังเกิดด้วยอนุภาพแห่งอรหัตตญาณอันพึงได้ด้วยอัตภาพนั้นก่อนหรือหลังเกิดขึ้นในขณะนั้นชื่อว่าญาณวิภาราอิทธิ อย่างเช่นพระภากูละสังกิจจาสัมมเนนก็มีญานวิภาราอิทธิฤทธิเนี่ยนะอย่างเช่นพระสังกิจจาสัมมเนนใช่ไหมสังกิจจาสัมมาเนนมีอยู่ครั้งหนึ่งพระภิสูจนประมาณ30รูปเนี่ยนะจะไปลาพระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ณป่าแห่งหนึ่งขณะที่พระเถระเนี่ยนะสารูปจะไปอยู่นั้นก็ไปลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้ไปลาพระสารีบุตร ภาษารียบวกก็เลยฝากสัมมาเนนไปด้วยองค์หนึ่งให้ไปคอยอุปถักต์พระทั้งหลาย30สิบรูปนั้นก็บอกว่าอย่าเลยมันจะเป็นภาระแก่พวกผมแต่ที่จริงเนี่ยพระสามสิบรูปจะเป็นภาระของสัมมาเนนต่างหากนะแต่ว่าแต่พระพิสุก็คิดว่าเอ้ยเนี่ยเอาสัมมาเนนอายุเจ็ดขวบไปด้วยมันจะเป็นภาระแต่ก็ขัดคําสั่งภาษารียบวกไม่ได้เนี่ยนะจริงภาษารียบว ร, รู้ว่าพระพิสุกสามสรูปที่พระพุทธเจ้าสั่งให้มาลาภาษาเรียบวกเนี่ยก็คือภาษารีบุต ร, ะรตจะได้ฝากสัมมาเนนไปด้วยนั่นเอง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 จะกลับบ้านก็เลยไปลาพระพอไปลาพระเนี่ยระหว่างทางไปก็ไปถูกโจรจับได้ไอ้ชายคนเนี้เป็นคนอักตันยูก็เลยบอกว่าบอกโจรอะนะคือโจรเขากําลังหาคนมาบูชายันพอดีก็เห็นชายคนนี้แหละเหมาะที่จะเอาไปบูชายันชายคนนี้มันก็เป็นคนอักตันยูก็เลยคิดบอกโอ้ยบูชาเอาข้าพเจ้าบูชายัญเทวดาไม่ชอบหรอกข้าพเจ้ามันคนวันนะต่ำคนชาติต่ำชาติเลวไปเอาพวกวันนะสูงมาสิ บูชายันแล้วเทวดาจะถูกใจกว่ากันบอกที่ไหนอยู่ที่ไหนบอกเนี่ยวัดป่าตรงนี้แหละก็เลยชายคนนี้ก็เลยพาไปพาไปก็บอกเอาไปคนเดียวขอคนเดียวสามสิบรูปก็มานั่งเรียงกันแล้วก็สัมมเนนองค์ที่หนึ่งบอกจะขอสละให้ทุกองเนี่ยบำเพ็ญสมณนะรมไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะสละอัตภาพไปไปให้โจร น, นี่เอาไปบูชายันก็ไล่ตามลําดับทุกคนก็เสนอตัวไปหมดในที่สุดสัมมเนนก็ออกมาว่า เหตุนี้แหละท่านผู้เจริญทั้งหลายที่ภาษารีบทส่งข้าพเจ้ามาสัมมนเณีก็เลยบอกนะพระทั้งหมดบอกไม่ได้ไม่ได้สัมมณีนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของภาษารีบทให้ส่งให้ไปถูกฆ่าได้ยังไงท่านก็บอกว่านี่แหละที่ภาษารีบทส่งข้าพเจ้ามาตามพุทธประสงค์ก็เพื่อกิจนี้แหละเสร็จแล้วก็นําสัมมณีนเนี่ยไปพอไปถึงก็โจรเขาก็เตรียมจะ บูชายันก็จับนั่งท่านก็นั่งเข้าสมาบัติเนี่ยนะโจรก็เตรียมที่จะฟันคอปกตินี่เห็นใครที่จะถูกฟันคอเนี่ยนะหน้าตาตกตื่นไปหมดแต่นี้นั่งหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสผ่องใสตามเดิมไปหมดโจนนี่ก็งงไปแล้วตนถึงก็ฟันดาบเพราะว่าพอฟันลงไปเนี่ยดาบก็เท่าว่ามันบิดเหมือนกับใบตานเขาอ่างนั้นก็เลยดัดซะใหม่ดัดแล้วก็ฟันอีกก็บิดอยู่อย่างนั้นในที่สุดก็เลยโจรก็ นอบน้อมท่านอะนะมีการถามตอบปัญหาสมมานีก็แสดงธรรมให้ฟังฟังก็โจรกลับใจบวชห้าร้อยบวชเป็นสัมมาณีห้าร้อยคนแล้วก็ได้โจนเป็นลูกศิษย์ห้าร้อยก็เลยเข้าไปหาพระเถระพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนหลังก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์กันหมดเลยอันทัศังกิจะสัมมานรูปนี้ก็ได้ฤทธิ์จากอะไรจากที่อนุภาพของการบรรลุอริยมรรคนั่นแหละเรียกว่ายาณวิภาราอิทธินี่นะ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 เฮ้ยนี่เพื่อนเดี๋ยวฉันจะตีหัวพระเนี่ยเฮ้ยอยนี้พระสารีบุตรมีฤทธิ์มากมีอนุภาพนะยาอันนั้นยายังไงก็อย่าเถอะห้ามมาอยู่ก็มันมันคู่เวรเก่านะเพยผูกพยาบาทมานานแล้วก็เลยฟาดกระบองในทุ่มลงไปบนศีรษะบอกถ้าปกติเนี่ยถ้าช้างเชือกใหญ่ๆเนี่ยล้มฟุบลงเลยหรือเขาลูกย่อมๆเนี่ยมุดจมดินไปเลยแหละแต่ด้วยอนุภาพของสมาธิคือเข้านิโรธสมาบัติของพระสารีบุตรก็ถูกตีนั่นแหละ ก็ตอนที่ภาษารีบุรออกจากสมาบัติก็เจ็บสักหน่อยหนึ่งเหมือนยุงกัดเหมานกันแล้วก็ยักษ์นั้นอ่ะพอตีเสร็จเท่านั้นแหละร่างกายก็ลุกร้อนรนธรณีก็แหวกจมลงในปฐพีเนี่นะเขาบอกว่าผู้ที่ถูกธรณีแหวกลงแล้วก็ปฏิสนธิในนรกก็เช่นพระเทวทัต ย, ยักษ์อันเนี้ยยักษ์ที่ตีภาษารีบุรแล้วก็นันทามานบเป็นต้นนี่นะพวก น, นี้ก็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 พ่อก็เลยสงสารก็เลยให้สตังไปอะ น, นะให้สตังไปเพื่อจะได้ไปจ้างหญิงโสเพณีชื่อนางศรีมาเนี่ยให้ไปคอยดูแลสามีแทนฝ่ายนางก็จะได้มาทําบุญทุกวันเลยนะนางก็มาทําบุญทําบุญถวายทานทุกวันทุกวันทุกวั น, วนไปฝ่ายสามีก็ให้โสเภณีไปคอยดูแลไปนี่นางเนี่ยก็ทํากับข้าวเองอะไรเองเพื่อที่จะทําบุญเนี่ยนะหน้าตานี่ขมุกขอมอมไปหมดเลยมีวันหนึ่งเนี่ย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 ฝ่ายนางอุตราเหลือบตาไปเห็นสามีเข้ากัหัวเราะเหมือนกันหัวเราะคนอยางบอกทําไมสามีเราประมาทขนาดนี้เนี่ยนะก็เลยยิ้มๆนะยิ้มๆนะแบบหัวเราะทีนี้นางสิริมานี่หึงขึ้นมาทันทีเอ๊มมายิ้มอะไรนะเห็นว่าสามีนางอุตรานี่ยม่ยิ้มอะไรเอา้าก็ยิ้มกับนางอุตราทํานี้ได้ยังไงเนี่ยนะก็เรียกว่าอยู่ไปหลา ย, ลายวันนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านไปเรียบร้อยแล้วนึกว่าเป็นเจ้าของบ้านก็เลยรู้สึกริษยานางอุตรามากโกรธนางอุตรามาก ก็เลยลงลงมาจากเรือนเดินลงมาตอนนั้นเขากำลังโทษน้ามันกระทะน้ามันเดือดๆอยู่พอดีเลยพอเห็นนางอุตราอย่างนั้นก็เลยไปตักน้ํามันเนี่ยใช้กระบวยเนี่ยตักน้ํามันจะไปรดศีรษะนางอุตรานางอุตราก็คิดในใจว่านางเสมาเนี่ยมีคุณกับเรามากเลยนะ สูงจดภวกรกพรมว่างั้นเพราะว่านางเนี่ยเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้เราได้ให้ทานรักษาศีลมีโอกาสได้ฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยนางนี่มีคุณมากก็เจริญเมตตาให้หนางเสริมานางเสริมาก็ตักไอ้นเนยที่มันร้อนๆหรือน้ํามันร้อนๆตักราดเข้าไปก็เป็นเหมือนกับน้ําเย็นร้อยหม้อราดไปบนศรีรษะการเรียกว่าอันนี้ก็ด้วยนนการเรียกว่าสมาธิวิปผาราอิทธิริษของนางอุตรานี่นะน้ำน้ำก็กลายเป็นเหมือนกับน้ําเย็น บริวารของนางอุตราก็เลยจะจับนางเซริมาเนี่ยจะทุบให้ตายเลยแหละนางก็เลยห้ามห้ามนางเซริมาก็ระ ล, ลึกได้ก็เลยไปขอโทษขาบอกขอโทษไม่ได้ฉันเป็นลูกมีพ่อบอกเออเดี๋ยวจะไปขอโทษนายปุณณะบอกผไม่ใช่พ่อของฉันเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยพานางเซริมาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นนางเซริมาฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะนางเซริมาน้องสาวหมอชีวกอ่ะนะ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 บอกว่าคำพีถ้าพิสดารเกินไปนี่ก็ถือว่ามีโทษเหมือนกันนะนะแต่ของเราทั้งหลายเอาทำไมว่าสะยืดยาวก็ถ้าเราเรียนให้จบเร็วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันนี่มาดูอริยะิดเรียกว่าอริยอิทธิอริยอิทธิก็คือฤิดของพระอริย ะ, อ, อ, ะ อ, อริยอิทธิริของพระอริยะเป็นไนเป็นอย่างไรก็คือภิกษุในาศาสนานี้ถ้าหวังว่า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 อันนีจารุปัสสนาก็ได้สองอสุภาษสัญญาก็ได้สามธาตุกรรมฐานก็ได้สี่เมตตาก็ได้ไอ้คำว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงคนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านสามารถเจริญ4ี่ประการนี้ได้ทั่วในครั้งหนึ่งนะหนึ่งอันนีจารก็ได้อ น, นจานุปัสสนาก็คือถ้าเกิดเจริญอนุปัสสนาก็ได้สองเจริญอสุภาษกรรมฐานก็ได้สมเจริญ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 อสุภาษสัญญาเนี่ยนะโดยนิยต์ต่างๆโดยประการต่างๆก็ทําได้หมดเรียกว่าฤทธิ์ของพระอริยเจ้า อ, อันนี้เรียกว่าฤทธิ์ที่พระองค์สรรเสริญยกย่องมากกว่าฤทธิ์ที่แปลงร่างจําแลงกายห่อเหินเดินอากาศเนี่ยพระพุทธเจ้าสรนเริญแบบนี้มากกว่าเ<ม>พราะว่าฤทธิ์แบบนู้นของปุถุชนฤทธิ์แบบนี้ฤทธิ์ของพระอริยเจ้าเพราะฤทธิ์ของพระอริยเจ้าให้ความสําคัญกับการปฏิบัติเพื่อกําจัดบาป อกุศลที่สุดเพราะบาปอากุศลเนี่ยนะอย่างคนอื่นยอมรับเสร็จแล้วอะไรที่สุดเราตกนรกช่วยอะไรเราได้อย่างฤทธิ์ของพระเทวทัตเนี่ยนะแสดงฤทธิ์เพื่อให้พระเจ้าอาชาตศัตรูยอมรับแต่ท้ายที่สุดเพราะฤทธิ์นั่นแหละเป็นปัจจัยอันหนึ่งละตกนรกเลยไม่เหมือนกับฤทธิ์ของพระอริยเจ้าที่ปรารบมุ่งบำบัดขจัดบาปอากุศลที่อยู่ในภายในพันฤทธิ์อันนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานอย่างแท้จริง mm hmm. ก็เลยเรียกฤทธิ์ของพระอาริยเจ้า ต่อไปกรร ม, มวิปากชาอิทธิฤทธิ์ฤทธิ์ที่เกิดจากกรร ม, มวิบากก็เรียกว่าเกิดมาจากกรรมนะเพราะกรรมเป็นตัใจฤทธิ์ที่มีการไปในอากาศได้เป็นต้นของเหล่านกทั้งหมดนกบินได้ก็เพราะมีบุญเน่ยนะมีมีกรร ม, มวิบากฤทธิ์อย่างหนึ่งเหมือนกันแหมบางคนก็ตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นนกเนี่ยนะเพื่ออยากบินเท่านั้นเองแล้วไม่คิดว่ามันเมื่อยบ้างหรือไงเนาะบินไกลๆนี่มันเมื่อยเมื่อยบาดแล้วใครจะไปนดวดให้ใช่ไหม ท่า น, นก็เลยบอกโอ้ยอย่าไปปรารถนาะเป็นนกอะไรเลยเมื่อจะตายไปบังบินไกลๆแล้วบินหนีอย่างโนูนบินนี้นะอย่างนกเล็กๆ ก, ก็บินหนีนกใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเมื่ อ, อต้องบินข้ามน้ําบินทลารลมเป็นต้นสบายถ้าฤทธิ์ย่างหนึ่งของเทวดาเนี่ยนะกรร ม, มาวิปลากระชาอิทิฤทธิ์ก็คือฤทธิ์ของเทวดาทั้งหลายที่ไปในอากาศได้หรือของมนุษย์ต้นกับมนุษย์ต้นกลับที่มาจากพรหมโลกเนี่ยไปไหนด้วยไปโดยอากาศได้หรือวินิปากย์สัต เช่นว่าพวกวินิบาดบางพวกบางเหล่านะเช่นเปรตบางพวกก็เหาะได้นะเหาะได้ไปไหนมาไหนเหาะได้แต่ไม่เห็นโก้เลยนะเป็นพวกเปรตและเหาะได้เห็นโก้ตรงไหนเลยนะในเรื่องการริษที่เกิดจากกรรมส่วนปุญญวัตโตอิทิริที่เรียกว่าริษที่เกิด จ, จากบุญเวลานริษของผู้มีบุญเช่นพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จไปทางอากาศพร้อมทั้งกองทัพสี่เหล่าก็ได้อันนี้เป็นบุญบุญของพระเจ้าจักรพรรดิทำให้เป็นไปตามอํานาจของจักรหรือ ภูเขาทองขนาด80ศอกบังเกิดแก่เชติละเครือหา บ, บดีอันนี้ก็เป็นเป็นฤทธ์บุญฤทธิ์เหมือนกันนะบุญฤทธิ์ของท่านทำให้พอท่านเกิดมาปั๊บพอท่านแต่งงานสร้างบ้านเท่านั้นแหละภูเขาทองก็ผุดขึ้นสูง80ซอกเนี่ยนะหรือโคสกะเศรษฐีโคสกะเศรษฐีเนี่ยในอดีตเคยเป็นหมาเห่าพระปเจกกับพุทธเจ้าด้วยศรัทธาเออเห่าด้วยศรัทธานะคอยป้องกันดูแลพระปเจกับพุทธเจ้า